ที่มีที่เดียวแค่ น, นั้นเองดังนั้นเมื่เรารู้ตัวมากๆความรู้ตัวก็เข้าไปสติถิตอยู่ที่ตรงนั้นเองเมื่อคุณเข้าคุณเข้าไอ้ความไม่รู้นี่เข้าไม่ติดเลยเข้าใจดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองปฏิบัติกันเป็นช่วงๆครับแล้วฟังแนะนำเป็นช่วงๆ กำหนดจิตให้แน่นอนนะครับเวลามีมีมีขนบธรรมเนียมของนั ก, นกบวชประการหนึ่งก็คือเมื่อตื่นแต่เช้าตื่นตามทางรมดเม่อตื่นขึ้นมามันจะมีปฏิกิริยาจากการหลับและฝันจิตใจจะขุนมัวหรือ อ, อ่อนโหยลอยแรงแต่ถ้าคนมีสติที่ดีนะครับหรือค่อนข้าง้มบูรณ์ตื่นขึ้นมาจะสดชื่น ดังนั้นเป็นภาระหน้าที่ที่ถือเป็นขนบมาแต่โบราณในมูนักปฏิบัติธรรมว่าในทุกครั้งที่เราจะทำอะไรนี่เราต้องกำหนดจิตให้แจ่มใสก่อนเข้าใจั้ยครับเหมือนจะกินข้าวเราต้องล้างให้มันสะอาดก่อนแล้วก็ต้องล้างทุกครั้งด้วยครับถ้าใครไม่ล้างกินเสร็จไม่ล้างตักไปอีกถือถว่าก็กินอีกจะไปล้างทำไมมันก็เปื้อนอีกในสูงเกิดลาขึ้นมา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 แ ต, แต่ต่อม า, าเมื่อกานพิธีดีตรงยุ่งกันใหญ่เลยครับซึ่งซึ่งกลายเป็นตรงกันข้ามเมื่อจะกินข้าวก็ต้องทําพิธีครับหรือกําหนดรู้มาที่ความรู้สึกตัวนี้แล้วก็เริ่มกินจะนอนหลับให้กําหนดจิตก่อนกําหนดเข้าไปที่จิตใจเนี้จนรู้สึกมันแจ่มชัดขึ้นมาแล้วก็หลับ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 เราต้องมารู้ตัวนะครับส่วนการเคลื่อนมือนี้เป็นบทสำทับเท่านั้นเข้าใจไหมครับสำทับไม่ให้เราลืมไม่ให้เราลืมไม่ให้เราเผลอเท่านั้นทีนี้ถ้ากำหนดจิตได้แล้วไม่ต้องทําครับไม่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องทําเปรียบเหมือนคนที่ตัวเลนฟุตบอลมาแล้วตกต้นไม้ขาหักหมอก็ต้องใส่เปือกเพื่อกันไม่ให้มันขยับขยื่นจนกว่ามันจะเริ่ม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 ไม่รู้จักตามที่เป็นจริงนี่เรื่องหนึ่งบาทหลวงโปรเตสแตนเขาเล่าให้ผมฟังนะผมชอบมากก็เล่าเรื่องชอบๆไปฟังคืนนี้พิษชี้เห็นว่าคนที่เมาธรรมะหรือเมาศาสนานยึดถือในศาสนาของตัวงันตัวนี้มันแทนที่จะฉลาดกลายเป็นคนโง่เขลาวบวกระยาขึ้นและใจร้ายขึ้นด้วยครับผมเห็นเยอะนะคนไปวัดไป ว, วานั่งชอบนั่งมาที่นี่ ใจดำมากๆเลยขี้ยัวด้วยเราจะทำอย่างนั้นครับเราเรียนที่จะเป็นคนปกติธรรมดาธรรมดาเพื่อจิตใจของเราจะได้ปกติธรรมดาธรรมดาเรื่องเรามีชาวนาคนหนึ่งก็เกิดป่วยหนักขึ้นในเวลาเย็นภรรยาที่คู่ชีวิตก็ไม่ค่อยสบายอยู่แล้วครับดังนั้นก็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 ชาวนาก็เห็นนั้นเป็นพระคารินันก็อ้อนวอนเขาบอกว่าผมกับพญาไม่สบายมากๆครับท่านขอให้ท่านช่วยด้วยประโยคแรกที่พระคารินันถามคือว่าแกนับถือนิกายอะไรชาวนาปู่เมียงบอกว่าพวกเราเป็นโปรเตสแตนต์ครับกับผมพระคารินันซึ่งเป็นแคทอลิกนก็พูดว่าถ้าเช่นนั้นแกก็ไปหาพระงแกสิแล้วท่านก็เดินเลยไ ชาวนาก็ได้บทเรียนหนึ่งครับต่อไมอ่ครู่หนึ่งบราเธอร์ก็หนึ่งเดือนมาบราเธอร์นี่หมาย ถ, ถึงพระในนิกายโปรเตสแตนต์นนครับแต่บัดนี้ชาวนาเริ่มกันล่อนครับพอรู้บ <c oughs> พอเห็นข้าวก็อ้อนวอนคุณพ่อครับช่วยด้วยคุณพ่อนั้นถามว่าพวกแกนับถือนิกายอะไรพวกผมเป็นแคทเลิคครับ <c oughs> คือแกไม่รู้ว่าที่จริงพระนี้เป็นโปรเตสแตนต์นานาเริ่มกันล่อน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 เขาบอกผู้หญิงคนนี้กาลังจะตายถูกรถชนคำถามแรกบอกเขานับถือนิกายอะไรไอ้เด็กหนูนั่นโมโหมันเป็นคนขี้ยั่วมันก้มลงถอดรองเท้าคว้างเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วก็พาผู้หญิงนั้นไปที่โรงพยาบาลอื่นในที่เมืองหนึ่งนะครับออพวกโปรเสตสแตนต์นั้นเป็นที่ลังเกียจของแคทเธอร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 ศา ส, สนาที่แท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับศาสนาทุกองค์อสอนให้เรากรุณาใเรามายึดถือตัวที่ตนไม่ให้แบ่งชาติชั้นวรรณะไม่ยึดถือผิวพันธุ์ไม่ยึดถือเพศแต่โดยความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อสมัยผมมาเนิ่มบวชเข้าเผลอเข้ามาในวัดธรรมยุทธถูกไล่ออกมาไอเราเพิ่งบวชใหม่ไม่รู้อีหนอยเนี่ยรับคิดว่าพระก็เหมือนกันดั้งนั้นที่ไหนได้ครับในสุดค่อยๆเรียนว่โอ้ จิตใจที่ติดยึดาศาสนานี่มันร้ายที่ยิ่งกว่าชาวบ้านอนกชาวบ้านเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่ชีนนะครับเห็นมันพระเขาก็สายบาทแต่ว่าถ้าเผลอไป น, นอนผิดวัดถูกหามอ่อวันเย็นนอกวัดไม่รู้ตัวผมจะบอก <c oughs> ดังนั้นเราเราต้องไม่กลายเป็นผู้ที่คลั่งาศาสนานะครับแต่เราควรจะเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่มีสามัญสำนึกสูงระมัดระวังต่อสิ่งรอบๆตัวนะ ให้คนอื่นก็ยึดถือแต่เราไม่ควรที่ยึดถือในลัทธินิกายอะไรนี้แม้เราจะพูดเราเป็นสาวกของผู้เจ้าแท้ที่จริงพู้เจ้าท่านไม่ได้สอนให้ติดนิกายนะครับแต่ท่านสอนตัวสัตยธรรมดังนั้นเมื่อเราเห็นสัตยธรรมแล้วเนี่ยเราจะเรียกยึดถือก็ได้มายึดก็ได้ของจริงนะของจริงมีอยู่เนี่ยจะยึดก็ได้วางก็ได้ครับเมื่อเรามาเห็นรูปเป็นนามเห็นการแปลเปลี่ยนอะไรนี้ ถ้า่มาสอนเราอย่างไรผมคิที่เราจะไม่ฟังเพราะหูตาจมูกกายใจของเรามันสัมพันธ์อยู่กับสัจธรรมอยู่แล้วใครมาพูดว่าร่างกายนี้เป็นของเที่ยงพูดออกก็ได้ครับพูดเราไม่เที่ยงก็ได้ผมไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าของจริงเป็นอย่างไรเราเห็นนั้นนั้นปากเราจะพูดว่าเป็นกายนี้มันของตนก็ได้ไม่ใช่ก็ได้ครับ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 ที่ไรคุณสีสมอนนี่จริงๆไม่มีครับแต่ว่าที่รูปนามที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้นะครับขันห้าที่เป็นอยู่ภายใต้กรนชาตินะี้มีไม่มีแล้วก็ตอบคำถามผมไม่ได้แต่สีสมอนไม่มีเอ๊ะหรือว่ามีมันก็มีเท่าที่มันมีจริงไหยครับ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 ถูกัหมดังนั้นในสภาวะในตัวของมั น, นมันไม่ได้มีอย่างที่โลกสมมติขันท่านั้นเป็นอย่างคับบาุทีพระเจ้ามาขันท่าเปรียบดังเพยบแบบเปรียบดังความฝันพอตื่นขึ้นมันมันมีได้แต่มันไม่ได้มีอยู่จริงเราก็มาศึกษาตัวนี้ไปตร ง, ตรง สมาธินั้นเกิดขึ้นในหลายวิธีมากและมีหน้าที่มีกิจหลายอย่างซึ่งต้องทําเป็นเรื่องๆเช่นอยากจะมีฤทธิ์เดชต้องมาฝึกสมาธิแบบแต่ผมเห็นคนมีฤทธิ์มีเดชแก่ๆเข้าแล้วเฮงซวยทุกลายเมืสมัยที่กาลังขวังนั้นโด่งดังมากว่าแก่ตัวเข้าเนี่ยไม่น่าคบเลยครับคือไปมุ่งในเรื่องซึ่งมันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าครับ สมาธิที่พระเจ้าสนับสนุ น, นมีอยู่สองประเภทเท่านั้นที่ที่มีบทบาทเด่นชัดก็คื อ, คอสมาธิที่เกิดจากการจริญสตและเพื่อที่จะเข้าไปเห็นขันห้าตามที่เป็นจริงสมาธิเส่นนี้เป็นสมาธิกล่าวได้ว่าเป็นของพระพุทธเจ้าสอน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 พรเจ้าตรัสสัมมาสตินี่ก่อนสัมมาสมาธิใช่ไหมครับจำได้ไหอริมักมีองค์แปดคือเมื่อสติสมบูรณ์ดีแล้วนะครับสมาธินั้นจึงจะไม่คลาดเคลื่อนไม่วิปรวปราสคลาดเคลื่อนแต่ถ้าไปทาสมาธิขึ้นก่อนสติคือสติสตังยังไม่เคยเต็มนะมีสมาธิคล้ายๆมีพลังมหาศาลเกิดขึ้นแต่เป็นคนไรสติอันตรายไหมครับ รถแทรกเตอร์คันหนึ่งใครปิดเครื่องขึ้นมาแล้วไม่ไ ม, มีคนคุมพงอะไร น, น, นี่วัดนี้ทั้งวัดยุ่งหมดๆๆคือสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายครับถ้าขาดสติดังนั้นสมาธิที่แท้จริงนั้นต้องมีรากฐานตรงสติตังนั้นพิจารณาสมาสติก่อนแล้วสมาสมาธิในวงจรกว้างๆท่านจากว่าเมื่อสติไม่พอเพียงสมาธิก็ไม่พอ เมื่อสมาธิไม่พอสัมมาทิฏฐิก็ไม่สมบูรณ์เข้าใจไหมครับสมมุติเดี๋ยวนี้เราสอนนึ่งสัมมาทิฏฐิกันเราอากระสูดมาอ่านนั่นไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเพราะว่าสติยังไม่พอเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าสัมมาทิฏฐิเรามาพูดสอนกันแล้วบรรลุถึงสัมมาทิฏฐิไม่ได้ครับแต่สัมมาทิฏฐิที่พอเพียงนะครับก็คือเมื่อสติพอเพียง สมาธิก็จะพอเพียงเมื่อสภามาที่พอเพียงสมาธิติิก็จะพอเพีย ง, พ อ, พ, ยงพอเพียงที่จะรู้ที่จะเห็นที่จะละถ้าเราอ่านพุทธศาสนาคร่าวๆแล้วก็คิดว่ามีเป็นสมาธิติอย่างนี้ความรู้นั้นพอเพียงสําหรับหาเลี้ยงชีวิตเท่านั้นคือไปสอนธรรมะหาเงินได้จากผู้ที่อยากจะเรียนเท่านั้นเอง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 มันนั้นก็จะปรากฏขึ้นได้เอาละครับเริ่มเคลื่อนมือให้ได้เนื้อหามากขึ้นนะครับ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 แต่ถ้าเราเคลื่อนมืออย่นี้ครับไม่ช้าไม่นานมันจะตกกลับลงมาที่ตัวมันนี่เป็นอุบายสำหรับดักจิตเป็นคไข่สำหรับดักจิตนี่ที่คิดนึกออกไปนอกตัว อาจจะมีความเหนื่อยหน่ายบ้างครับแต่นานเข้ามันจะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับมันดูไม่งดงามครับนั่งยกมืออย่างนี้ซูนั่งหงลับตาพริ้ม์ไม่ได้ดูน่าศักดิ์สิทธิ์มากๆแต่จริงๆหลับข้างในก็ไม่รู้อันนี้มันดูคล้ายๆมันดูหยาบๆ ย, ยังไงก็ไม่รู้ แต่วันนี้คือสิ่งที่ทาให้เราจะทำเราจะกระตุ้นให้มันตื่นครับไม่ใช่เป็น้องรักษารายญาตเป็นผู้หญิงก็จริงนะเดินหยาบๆก็ได้ครับถ้าคราวมันวุ่นวายขึ้นมาผมเคยแนะนักศึกษาคนหนึ่งเขาฟุ้งซ่านมาผมแนะให้วิ่งกลับไปกลับมาแทนที่จะเดินจงๆนะให้มันเดินแรงๆเข้าไกกะแทกพื้นเข้าไปแรงๆ ตอนที่เราฟุ้งซ่านนี่คือมันเราลืมตัวครับเราติดในนิมิตอะไรต่างแล้วก็ลืมตัวไปเรากลักบมาที่เราก็ค่อยๆสบายขึ้นเรื่อยๆสมมติสตินะครับหดกลับเข้ามาในตัวอย่างพอตัวแล้วคล้ายๆหนังสติคซึ่งยืด วันนี้มันหดกลับมันเป็นตัวหนังสติ๊กเท่าที่มันเป็นจริงแล้วหงของการเวลาจะสั้นอยู่เฉพาะหน้าเท่านั้นมีแต่ขณะนี้เท่านั้นแล้วจะเห็นอาการที่เรียกว่าอาการทางกายและทางจิตจง คือเห็นตาที่กำลังพลิบอยู่นะครับหายใจเข้าหายใจออกอยู่โดยธรรมชาติภายใต้กดธรรมชาติก็พริบตากงหน้าเลยกลืนน้ําลายหัวใจเต้นมันจะเห็นสารสวมรวมกันอยู่นะครับเหมือนกับหม้อเถาหลายๆใบซ้อนซ้อนซอ น, ซอ น, ซอนมันจะเห็นทั้งหมดอย่างนี้ อิริบทใหญ่คือการนั่งการขึ้นไหวน้อยๆภายใต้อิริบทใหญ่ที่นั่งนี้ก็คือการกระคิดตาคือน้ำลายอ้าปากหุบ ป, ปากก้มเลยเอียงซ้ายเิยงขวาเราก็เห็นอยู่นี้แล้วมันมีสมาธิอยู่ในการเห็นนั้นๆด้วยการเห็นนั้นคือสมาธิสมาธิกับการเห็นเนี่ยเป็นอันเดียวกันนะค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 แต่ระดับของสมาธิต้องถึงระดับแน่วแน่เหมือนกันคือตั้งมั่นลงในในตัวเองเราจะเห็นการเคลื่อนไหวชั้นในสุดคือจิตคิดออกไปคิดวุ่นว่าออกไปหลายเรื่องสองสามเรื่องก็รู้รู้ขึ้นมาพอรู้ขึ้นมามันก็หยุดเมื่อนักศึกษากำลังปฏิบัติน ะ, ะ้รับเดินจงกรมก็ดีเคลื่อนมือก็ดี สิ่งสำคัญอันหนึ่งก็คืออยาให้มันพูดครับเราจะพบว่าเรานั่งปฏิบัติแตงมันพูดอยู่ข้างในทัางพูดครับข้างนอกนี้อาจจะไม่พูดแต่ข้างในมันพูดพูดอย่างน้นอย่างนี้อย่างน้นเราจะให้มันพูดคล้ายๆหอยนะครับที่ได้ยินเสียงมัน ก, ะ ก, ะกะ๊ะกๆะกะเราตีพื้นมันเงียบ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 มันก็เป็นภาษาของหัวใจเทานั้นนะครับมันเป็นเพียงหัวใจทุ่นๆล้วนๆของมันเนงียบสงบภาษาหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับถ้อยคำมันไม่ได้พูดออกมาเป็นคำแต่มันมีอยู่อันหนึ่งแน่ครับคือสภาพถ้อยคำซึ่งไม่มีคำพูด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 เลยเรียกว่าตรัสรู้ตรัสคือทรงดำรัสออกมาว่ารู้ละคือเข้าไปเห็นสภาวะรู้ซึ่งทุกๆคนนี่มีแต่วเนื่องจากวิตกวิจาร์ความคิดมากมายจิตปรุงแต่งขึ้นบทบังคล้ายๆจะมีสิ่งหนึ่งอยู่และมีหลายสิ่งบังอยู่พอเราเปิดเผยนี้เปิดเผยนี้ในสุดตัวสุดท้ายก็จะปรากฏออกมา วอนนี้เรารู้ตัวให้ ม, ม, มากๆพอคิดขึ้นมาก็ไม่สนใจพอรู้ตัวความคิดก็ตกออกไปพอไม่รู้ตัวก็เข้าไปในความคิดพอรู้ตัวก็หลุดออกจากความคิดเห็นการเข้าไปในกระแสความคิดเห็นออกมาจากกระแสความคิดอยู่อย่างนี้ครับที่ทำอย่างนี้ชื่อว่าเรากำลังเจริญวิปัสนายอยู่อย่างต่อเ น, นื่องทุมดีใจที่ได้ยินอาจาย์ในสุดคุณพี่นะว่า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 เรามาทำความรู้สึกตัวเช่นนี้นะครับเราก็ลังผมอยากจะใช้คําว่าช่วยธนุบํารุงพุทธศาสนา ค, คือเราตอนที่เราปฏิบัติเนะี่ยเราก็ลังช่วยให้คําสอนของพระเจ้านะี่เป็นจริงใช่ไหมไม่ใช่เพียงอย่างเดียลัทธิความเชื่อลอยๆเท่านั้นเข้าใจไหมครับเมื่อใดที่ศาสนามีการปฏิบัติ แล้วก็ได้รับผลขึ้นมานครับไม่ว่าในหมู่ภิกษุหรือชาวบ้านเมื่อนั้นชื่อว่าไ อ, อ้สังคมของสันติสุขก็จะปรากฏเป็นจริงขึ้นไม่เช่นนั้นเลยเราก็นับถือลอยๆอยนะรเรามีวัดเยอะมีพระภิกษุเยอะจะดูแล้วลอยๆยยังไงชอบกันอยู่แต่เมื่อเราปฏิบัติข้าไปจริงๆเราจะรู้สึกได้ดี ศรัทธาที่แท้งเราจะปรากฏนะครับเราเห็นพระเราใส่บาตรด้วยความสนิทใจมากๆซึ่งแต่ก่อนนี้เราก็หลังเล่พระองคนี่พระจริงพระเกใส่ไปแล้วก็ไม่ค่อยผาสุกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรารู้สึกตัวดีเราเข้าใจศาสนาดนีจะเป็นพระจริงพระเก้งก็คนเหมือนกันนะเนั้นเราใส่เดินไม่หลังเล่เลยเข่าไมครับไม่จำเป็นต้องเลือกพระเลยเพราะว่าพระก็คือคนเนี่ยครับ เันั้นในการที่เราเอื้อเฟื้อท่านไม่จำเป็นต้องสงสาวเอ้พระนีมีศีลบริสุทธิ์ไหมทำอย่างนั้นแทนที่จะได้บุญกลับได้สิ่งที่ตรงกันข้าม